จึงชื่อจึงฟันรงได้เลยว่าถ้าพวกเราไม่มีคุณธรรมนะศีลธรรมเราไม่มีเราไม่พยายามปฏิบัติกันขึ้นมาฟิตกันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาแล้วทุกคนต้องลงมือทำด้วยด้วยกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดทำแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะสิ่งเหล่านั้นนะอาศัยว่าคนอื่นไม่ทำก็ตามเราทำเอาน้าดีไล่น้าเสียนะ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 แล้วจะต้องไปนั่งแบบหลังคดหลังแข็งสีเรียดไม่ใช่ใช่นะเป็นทางการแต่ไม่ใช่เมื่อเวเราอยู่ในครอบครัวของเราเราสามารถทําสมาธิได้ซึ่งอาจารย์ขอพูดในในที่นี้ว่าสมาธิก่อนนอนเมื่อเรามีศินอย่างนั้นแล้วเรากลับไปที่บ้านก่อนนอนดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูอะไรเรียบร้อยแล้วเราชําระอารมณ์ของเราซะนั่งสมาธินะก่อน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 ให้อาจารย์อให้พวกเราได้ฟังเป็นตัวอย่างว่าการที่อาจารย์ได้พูดนั้นเป็นเช่นไรก็เชิญกราบธรรสการ์ด้านอาจารย์นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนทีโททุกคนนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ว่าให้มาสรุป